บันทึกที่7ความหมายของภวะตันหาและวิภวะตันหาการแปลความหมายของตันหาสมอย่างโดยเฉพาะข้อที่สองคือภวะตันหาและข้อที่สคือวิภวะตันหามักมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนและความเหตุที่ขัดแย้งกันจึงขอนำหลักฐานต่างๆ ให้ช่วยกันพิจารณาในพระสูตรแม้บางแห่งจะจําแนกตัณหาออกเป็นสามอย่างและบอกชื่อไว้คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาดังเช่นในธรรมจักกัปปวัตนตน ส, สูตรสังคีติสูตรและท้าสุตตรสูตรเป็นต้นแต่ก็ไม่มีที่ใดให้คำจำกัดความหรือแสดงความหมายไว้โดยตรงเลยผู้ศึกษา จึงต้องหันไปพึ่งคัมภีร์ฝ่ายพระอภิธรรมและคมภีรชั้นอัตถกถาครั้นได้หลักฐานมาเพียงบางแง่าบางส่วนไม่ครบถ้วนก็ดีหลักฐานที่ได้พบตนไม่สามารถแปลความหมายได้ชัดแจ้งก็ดีก็ทําให้เกิดความเห็นแตกต่างและขัดแย้งกันขึ้นในพระสูตรนั้นแม้ว่าท่านจะไม่ได้ให้คําจํากัดความและแสดงความหมายไว้โดยตรงแต่ก็มีข้อความประกอบ และพุทธพจน์ตรัสสอนในบางกรณีที่จะช่วยสองให้เห็นความหมายของตัณหาสามอย่างชัดเจนขึ้นได้ในที่นี้จึงจะแสดงหลักฐานทั้งฝ่ายพระสูตรพระอภิธรรมและคำอธิบายของอัตถกาถาเพื่อผู้ศึกษาจะได้พิจารณาอย่างกว้างขวางตัณหาสูตรในอิติวุตกะเป็นพระบาลีแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจาแนกตัณหาสามอย่างไว นัที่นี้แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรง แ, งแสดงความหมายของตันหาแต่ละอย่างไว้โดยตรงแต่ก็ได้ตรัสข้อความเป็นคาถาซึ่งอาจใช้ประกอบในการที่จะเข้าใจความหมายต่อไปพระสูตรนี้เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคำศัพท์เท่าที่มีโดยยังไม่นาเอาคาอธิบายเสริมความของอัตถกถ า, าเข้าไปปรุงจะได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเหล่านี้มีสามประการสามประการเป็นไนได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุททั้งหลายตัณหาสามประการดังนี้แลตัณหาโยเคนะสังยุตตารัตจิตตาภวาภเวชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตัณหา มีจิตยินดีในภพและอภพให้สังเกตคำว่าพระวาพเวที่แปลว่าในภพและอภพ บ, บาลีต่อไปมีว่าเตโยขยุตตามารัสัอโยคเขมิโนชนาสัตตาคัดฉันติสังสารังชาติมรณะขามิโนพวกเขาพัวพันด้วยเครื่องผูกของมาร ไม่มีความลุโล่งโปร่งใจเป็นสัตว์ไปสู่สงสารถึงความเกิดและความตายเยจตันหังประหันตวานะวี ต, ะตันหาพระวาพเวส่วนชนเหล่าใดกำจัดตันหาได้แล้วเป็นผู้ปราศจากตันหาในภพและอภพให้สังเกตคาว่า พ, วาพระวะพเวที่แปลว่าในภพ และอาภพบอีกครั้งบาลีต่อไปมีว่าเตเวปารักตาโลเกเยปัตตาอาสวัคยันติบรรลุความสิ้นอาสวะชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงฟังแล้วในโลกอีกสูตรหนึ่งในอิติปุตตะนั่นเองชื่อทิฏฐิสูตรมุ่งแสดงเรื่องทิฏฐิสองซึ่งหมายถึงภาวะทิฏฐิ และวิภวะทิฏฐิแต่เนื้อหาที่ตรัสเป็นการแสดงภาวะตันหาและวิภวะตันหาไปด้วยในตัวขอแปลมาให้ดูทั้งสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจพวกเข้าครองใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเสียส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็น ภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไรกล่าวคือเทพและมนุษย์ทั้งหลายพระวารามาคือเป็นผู้มีพบเป็นที่ยินดีพวรตาคือเรื่องลมในพบพวะวสัมมุติตาคือบันเทิงในพบเมื่อตถาคตสแสดงธรรมเพื่อพวะนิโรธความดับแห่งภพ จิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งแน่วลงไม่น้อมดิ่งไปพวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรกล่าวคือคนพวกหนึ่งอึดอัดระอาตังเกยียจอยู่ด้วยพบนั่นแหละจึงพร่ำชื่นชมวิภพวันนี่แนท่านเออย นัยว่าหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วอัตตานี้ก็จะขาดศูน์มาลายสิ้นนี่ละคือภาวะสุดประเสริฐนี่หละคือภาวะดีเยี่ยมนี่หละคือภาวะที่เป็นของแท้พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้หมายเหตุคำว่าจึงพร่ำชื่นชมวิพนั้นแปลจากคำบาลีว่า วิภวังอภินันทันติจะแปลอีกสำนวนก็ได้ว่าจึงยินดียิ่งซึ่งวิภพวิภวะหรือวิภพแปลว่าความปราศจากภพในอัตถกาถาไขความว่าเท่ากับอุดเชทะที่แปลว่าความขาดศูนย์พุทนธทในทิฏฐิสูตรมีต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลาย พวกที่มีตาจึงมองเห็นเป็นอย่างไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นสภาพะภพโดยความเป็นสภาพะภพคือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงครั้นเห็นสภาพะภพโดยความเป็นสภาพะภพแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพิทาคือหายติดเพื่อวิราคะคือหมดใครเพื่อนิโรธแห่งสภาพะภพนั้น ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้โยภูตังภูตะโตทิศวาภูตัดสัจะอติกมังยถาภูตังวิมุตจันติภวะตันหาปริกขยาผู้ใดเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบและเห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพพบผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวะตันหาสจเจปูตังปริญโยโสวีตตันหูภวาภเวถ้าเขากำหนดรู้สภาพภพเขาจะเป็นผู้ปราศจากตันหาทั้งในภพและอภพให้สังเกตคำว่าภวาภเวที่แปลว่าในภพและอภพอีกครั้งบาลีต่อไปมีว่าผู้ตัดสะวิภวาพิกขู นาคัดฉันติอุัณ์พวันติเพราะความหมดพบแห่งสภาพพบภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่พบอีกในพระสูตรนี้มีข้อสังเกตสำคัญที่ควรกล่าวณที่นี้สองประการคือหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัตตันหาและทิฏฐิควบคู่ไปด้วยกันเพราะเป็นของเนื่องกันอิงอาศัยกันคนพวกหนึ่ง มีภวะตัณหาคือยินดีในภพปรารถนาพบและมีภวะทิฏฐิคือความเห็นยึดติดถือมั่นว่าพบนั้นเป็นที่น่ายินดีเป็นที่รองรับความยั่งยืนของอัตตาเป็นสภาพที่น่าปรารถนาส่วนคนอีกพวกหนึ่งมีวิภาวะตัณหาคือเกลียดชังพบชื่นชมยินดีวิภพปรารถนาความขาดสูญและมีวิภวะทิฏฐิ ซึ่งเท่ากับอุดเฉททิฏฐิคือความเห็นเชื่อถือยึดถือว่าอัตตาจะขาดศูนย์ข้อสังเกตที่สองความในพระสูตรแสดงความแตกต่างระหว่างวิภวะหรือวิภพที่แปลว่าความปราศจากภพไม่มีภพหมายถึงความขาดศูนย์ซึ่งเป็นที่ยึดถือของความเห็นผิดกับภวะนิโรธความดับภพบซึ่งเป็นคําสอนและเป็นสภาวะที่พึงมุ่งหมายในพุทธธรรม วิภวะหรือวิภพเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับภวะหรือภพเป็นปลายสุดสองข้างที่ทรงมุ่งอธิบายในพระสูตรนี้ว่าคนพวกหนึ่งติดล้าอยู่ปลายสุดด้านภพอีกพวกหนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดด้านวิภพพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หลีกเว้นปลายสุดทั้งสองด้านนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้มุ่งหมายคือภวะนิโรธซึ่งไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้น เป็นเรื่องกลางๆตามสภาวะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจเรื่องมัตเชนธรร ม, มเทศนาและมัชทิมาปฏิปทาตัณหากับทิฏฐินั้นเป็นองค์ธรรมต่างอย่างแต่ใกล้ชิดอยู่ในชุดเดียวกันอิงอาศัยกันเมื่อเห็นว่าอย่างใดดีก็อยากได้อย่างนั้นเมื่ อ, อยากได้อย่างใดก็จะเห็นจะมองให้เป็นอย่างนั้น โดยเฉพาะในเมื่อปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่ อ, องของความคิดปรุงแต่งดังนั้นในความหมายของตัญหาที่จะยกมาแสดงต่อไปนี้ท่านจึงนำเอาทิฏฐิมาช่วยอธิบายตันหาด้วยว่าตัญหาอย่างนั้นคือความอยากที่ประกอบด้วยทิฏฐิอย่างนั้นแต่กั น, นั้นก็ต้องตระหนักว่าตัญหากับทิฏฐิก็ยังคงเป็นองค์ธรรมคนลยาตันหาก็อย่างหนึ่งทิฏฐิก็อย่างหนึ่ง หรือความอยากก็อย่างหนึ่งความเห็นก็อย่างหนึ่งในปุราพทสูตรในสุตตนิบาตมีข้อความในคาถาหนึ่งพร้อมทั้งคําอธิบายในมหานิเทศและในอัตตกถาซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความหมายของภาวะตันหาและวิภาวะตันหาชัดเจนยิ่งขึ้นข้อความในพระสูตรตอนนั้นว่าผู้ใดไม่มีความอิงอาศัยคือไม่ขึ้นต่อตันหาและทิฏฐ รู้ทำแล้วไม่ขึ้นต่ออะไรๆคือจิตใจเป็นอิสระไม่มีตัณหาไม่ว่าเพื่อพบหรือเพื่อวิพบเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบตัณหาไม่ว่าเพื่อพบหรือวิพบนั้นแปลจากบาลีว่าพว า, วพวายะวิภวายะวาตัณหาหมายถึงความทยานอยาก เพื่อจะเป็นหรือเพื่อจะไม่เป็นคําสําคัญในที่นี้คือพ ว, วพวายะวิพระวายาตันหาซึ่งแยกออกได้เป็นพวายะตันหาตันหาเพื่อพบหรือความทยานอยากเพื่อจะเป็นกับวิพรวายะตันหาตันหาเพื่อวิภพหรือความทยานอยากเพื่อจะไม่เป็นกล่าวได้ว่าคําทั้งสองนี้ ก็คือรูปขยายหรือแยกศับของภวะตัญหาและวิภวะตัญหานั่นเองอย่างไรก็ตามคำพีมหานิเทศซึ่งอธิบายสุดตันิบาตช่วงนี้และเป็นคำพีในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันได้ไขความพระบาลีตอนนี้โดยอธิบายตัญหาว่าได้แก่ตัญหาในรูปเสียงกลิ่นรสโภตพภะและธรรมารมและไขความพระวายะและวิภวายะ หลายนัยยะนัยยะที่หนึ่งว่าพระวายะหมายถึงภระวิทยิิและวิพรวายะหมายถึงวิพระวิทยิตินัยยะที่สองว่าพระวายะหมายถึงสัจสตทิฏฐิวิพรวายะหมายถึงอุเฉต ท, ทิฏฐิมีข้อสังเกตคือนัยยะที่สองว่าโดยสาระก็เหมือนกับนัยยะแรกนั่นเองนัยยะที่สาม ไขความเฉพาะแต่พระวายะว่าหมายความว่าตัณหาหรือความทยานอยากเพื่อพบคือความเป็นบ่อยๆเพื่อคติคือความไปบ่อยๆเพื่อความอุบัติบ่อยๆเพื่อปฏิสนธิบ่อยๆเพื่อความมกิดแห่งอัตภาพบ่อยๆส่วนวิพระวายะท่านไม่ได้ไขความไว้แต่กระนั้นก็ตามการไขความพระวายะตามในยยที่สามนี้ ก็เ่ากับเป็นเครื่องชี้บ่งให้แปลวิภาวายะว่าตันหาหรือความทยานอยากเพื่อวิพบคือความไม่เป็นหรือปราศจากพบหรือเพื่อความขาดศูนย์ในพระอภิธรรมปิฎกคำภีร์ได้ให้คําจํากัดความตันหาต่างๆไว้บางแห่งอธิบายเฉพาะภาะวะตันหาซึ่งหนที่นั้นหมากู้กับอวิชาขอยกคําอธิบายมาดังนี้ว่า บรรดาองค์ธรรมสองอย่างนั้นภวะตันหาเป็นไนความพอใจในภพความยินดีในภพความเพลิดเพลินในภพความปรารถนาในภพความสเสน่หาในภพความร่านรนในภพความสยบในภพความหมกมุ่นในภพอันใดนี้เรียกว่าภาวะตันหาอีกแห่งหนึ่งอธิบายตันหาทั้งสามอย่างดังนี้ บรรดาตัณหาสามนั้นภวะตัณหาเป็นไนความใคร่ความติดใครความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความใฝ่รักเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยภวะทิฏฐินี้เรียกว่าภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นไนความใคร่ความติดใคร ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความใฝ่รักเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉทตทิฏฐินี้เรียกว่าวิภาวะตันหาตันหาที่เหลือนอกนั้นเรียกว่ากามตันหาอีกนัยยะหนึ่งบรรดาตันหาสามนั้นกามตันหาเป็นไนความใคร่ความติดใคร ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่ประกอบด้วยกามธาตุนี้เรียกว่ากามตันหาความใคร่ความติดใครความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความติดใคร้แห่งจิตที่ประกอบด้วยรูปธาตุและอรูปธาตุนี้เรียกว่าภวะตันหาความใคร่ความติดใครความยินดีความคล้อยไปหา ความเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทิฏฐินี้เรียกว่าวิภวะตัณหาในอัตถคถาแห่งอิติบุตกะซึ่งอธิบายพระโสดที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นแห่งแรกอธิบายคำว่าภาวะภเวว่าหมายถึงมีใจติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และอธิบายอีกในยะหนึ่งว่าภพหมายถึงสัสตตทิฏฐิอภพหมายถึงอุเฉตทิฏฐิ เพราะฉะนั้นมีใจติดข้องในภพและอภพก็คือในสสตทิทิฏฐิและอุเฉติทิฏฐิซึ่งก็มุ่งหมายเอาภวะตัญหาและวิภวะตัญหานั่นเองส่วนแห่งหลังอธิบายคำภาวาพระเวว่าหมายถึงในภพน้อยและภพใหญ่หรือในเพราะการเห็นความขาดศูญย์เป็นต้นอธถกถานั่นเองอีกแห่งหนึ่งอธิบายคาภวาภโวว่าภ ว, วาะววหรือภพเท่ากับสมบัต อภวะหรืออภพเท่ากับวิบัติภวะหรือพบเท่ากับความเจริญเพิ่มพูนอภวะหรืออภพเท่ากับความเสื่อมหรือลดลงในอัตถกาถาแห่งสุตตนิบาตและอัตถกาถาแห่งมหานิเทศตอนที่อธิบายปูราเพตสูช่วงที่อ้างข้างต้นนั้นไขความตอนสาคัญว่าพวายะวิภวายะวาติสัตสตายะ อุเฉธายวาซึ่งแปลได้ความว่าตัณหาเพื่อพบหรือเพื่อวิพบคือเพื่อความเที่ยงแท้ยั่งยืนหรือเพื่อความขาดศูนบางท่านแปลเติมศัพท์หรือเสริมความเพื่อให้เหมือนกับที่อื่นๆว่าเพื่อสัตสติทธิธิหรือเพื่ออุเฉททิทธิอัตถคถาแห่งปฏิสัมพิธามักอธิบายตัณหาสามไว้อย่างชัดเจนมาก พร้อมทั้งยกเอาคำจำกัดความในพระอภิธรรมปิดกมาอ้างไว้อย่างครบครันและอธิบายไวถึงสองแห่งแห่งที่หนึ่งอธิบายภวะตันหาที่มากูกกับอวิชชาว่าภาวะตันหาได้แก่ความปรารถนาในภพทั้งหลายมีกามาพบเป็นต้นและยกบาลีในธรรมสังคณีและวิพังที่แสดงข้างต้นมาอ้างจากนั้นอธิบายตันหาทั้งสามอย่าง โดยโยกความในพระบาลีในคำผีวิพังที่แสดงแล้วข้างต้นมาอ้างและอธิบายต่อท้ายว่าแต่ในอัถกถาท่านกล่าวว่าราคะที่เนื่องด้วยกามกุลห้าชื่อว่ากามตันหาราคะในรูปภพและอรูปภพความติดใจในฌานราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตตทิฐิความปรารถนาด้วยอำนาจภพชื่อว่าภวะตันหา ราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทิฏฐิชื่อว่าวิภวตัญหาความหมายอย่างนี้ในว น, นาแห่งสังคีติสูตรก็อธิบายไว้อย่างเดียวกันแห่งที่สองอธิบายตัญหาสามตามลำดับดังนี้กามตัญหาได้แก่ตัญหาในกามบาลีว่ากามเมตัหาคาว่ากามตัญหานี้เป็นชื่อของราคา ที่เนื่องด้วยกามากุลห้าภวะตันหาได้แก่ตันหาในภพ บ, บาลีว่าพระเวตันหาคําว่าภวะตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตตตทิฐิซึ่งเกิดขึ้นด้วยอํานาจความปรารถนาภพเป็นชื่อของราคะในรูปภพและอรูปภพและเป็นชื่อของความติดใจในฌานวิภวะตันหาได้แก่ตันหาในวิภพ ความไม่เป็นความปราศจากภพความขาดศูนย์บาลีว่าวิภเวตันหาคำว่าวิภวะตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทิทิฏคำอธิบายอย่างนี้มาในอัตถกถ า, าแห่งวิพังในพระอภิธรรมปิดกก็มีวิสุทธิมัต ซึ่งเป็นคำภี ร, ระดับอัตถกถาที่ใช้อ้างอิงกันมากในวงการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาและตามปกติมักอธิบายเรื่องสำคัญสคัญเหมือนกันกับอัตถกถาอื่นๆแต่สำหรับเรื่องตัณหาสามนี้กลับพูดน้อยโดยอธิบายไว้เฉพาะในตอนที่พูดถึงตัณหาร0อยแปซึ่งจะให้มองเห็นแง่ความหมายอีกด้านหนึ่งดังจะคัดหมายดูดังนี้ก็แลบรรดาตัณหาในรูป เสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมารมรวมหกอย่างเหล่านั้นตันหาแต่ละอย่างปรัดไว้อย่างละสามคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตามอาการที่เป็นไปจริงอยู่รูปปัตนหานั่นเองเมื่อยินดีอย่างชนิดยินดีกามในเวลาที่รูปารมมาสู่คลองจักสุในเวลานั้นชื่อว่า กามาตัญหารูปตัตหานั่นแหละในเวลาใดเป็นไปพร้อมด้วยทิฏฐิว่ารูปารมณ์นั้นแหลเที่ยงแท้ยั่งยืนในเวลานั้นชื่อว่าภวะตัญหาเพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัตสตทิฏฐิท่านเรียกว่าภวะตัญหาแต่ในเวลาใดรูปปัตนหานั้นเป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิว่ารูปารมณ์นั่นแหละขาดศูนย์พินาศ ในเวลานั้นชื่อว่าวิภวะตันหาเพราะราคาที่เป็นไปพร้อมด้วยอุดเฉททิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวะตันหาอย่างไรก็ตามพึงดูคำอธิบายตามมาติของมหาดีกาประกอบด้วยคำพีปปัญจสูทนีและสาระตประกาศนีก็อธิบายไว้ทํานองเดียวกันนี้แต่สํานวนภาษาที่ต่างออกไปอาจช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผู้สนใจโปรดดู เท่าที่กล่าวมาคงจะยุติได้ว่าคำอธิบายในคำพีสัทธธรรมปรปกาสินีอัตถกถาแห่งปฏิสัมพิธามักเป็นข้อสรุปความหมายของตัณหาสามที่สมบูรณ์และน่าพอใจทั้งในแง่ความชัดเจนและในแง่ที่ครอบคลุมความหมายซึ่งท่านได้แสดงไว้ในคำพีทั้งหลายทั้งระดับพระบาลีและระดับอัตถกถาขอนาข้อสรุปนั้นมาเรียบเรียงไว้ให้ดูง่ายดังนี้ 1. กามตัณหาคือตัณหาในกามได้แก่ราคะที่เนื่องด้วยกามกุลหา้าสภวะตัณหาคือตัณหาในภพได้แก่ราคะความติดใครปรารถนาในรูปภพและอรูปภพความติดใจในฌานและราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตตทิฏฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ 3. วิภาวะตันหาคือตันหาไหนวิภพได้แก่ราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทิฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาความปราศจากพบหรือความขาดศูนย์ข้อพึงระวังคือจะต้องระลึกไว้เสมอว่าวิภพคือความปราศจากพบความสิ้นพบหรือความขาดศูนนั้นเป็นคนละอย่างกับภวะนิโรธ แปลว่าความดับพบหรือความไม่เกิดพบซึ่งเป็นสภาวะที่พึงประสม์ถ้าไม่ชัดพึงพิจารณาทบทวนพระบาลีในที่ติดสูตรข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง